การนั่งสมาธินั่งเพื่ออะไรการนั่งสมาธินี้ก็เพื่อให้เกิดความสุขใจนั่นเองความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสงบความสุขทั้งปวงนาถิสันติปาลังสุ ข, ขงัง ความสุขที่เหนือก็ความสุขทั้งปวงก็จากการนั่งสมาธิสมาธินี้ก็แปลว่าความสงบความสงบนี้ก็มีอยู่สามลักษณะด้วยกันเขอมี ส, สมาธิอยู่สามแบบแบบที่หนึ่งเรียกว่าคณิกาสมาธิ แบบที่สองเรียกว่าอปปนาสมาธิแบบที่สามเรียกว่าอุปจารสมาธิมีนั่งสมาธิแล้วก็จะได้พบกับสมาธิสามรูปแบบนี้ถ้ามีความสามารถบางท่านก็อาจจะไม่พบบางท่านก็อาจจะพบขึ้นอยู่กับความสามารถ ในการเจริญสติถ้ามีสติที่เข้มแข็งที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนก็จะมีโอกาสได้พบกับสมาธิชนิดต่างๆคณิกะสมาธินี้แปลว่าสงบชั่วขณะหนึ่งเป็นสมาธิที่แบบงูแลบลิน เช่นนั่งสมาธินั่งดูลมหายใจไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วจิตก็รวมลงอย่างรวดเร็วหรืออย่างกระทันหันเหมือนตกหลุมตกบอ่อแล้วก็เกิดความรู้สึกมีความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่เป็นความสงบเพียงแป๊บเดียว พอสงบปั๊บก็ถอนออกมาอย่างนี้เรียกว่าคานิกะสมาธิซึ่งมักจะเป็นผลของผู้ที่เริ่มฝึกหัดปฏิบัติสมาธิกันใหม่ๆเพราะเนื่องจากกำลังของสติยังมีไม่มากพอที่จะทำให้จิตสงบได้นานๆ มีกำลังพอที่จะดึงจิตที่ว้าวุน่นขุนมัวที่กำลังคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มาหยุดคิดได้ชั่วขณะหนึ่งการสมาธิแบบนี้เราเรียกว่าคณิกะสมาธิซึ่งเป็นสมาธิแบบหนังตัวอย่าง คือตอนที่จะได้ดูหนังจริงนี่เขามักจะเอาหนังตัวอย่างมาฉายล่อคนดูก่อนพอคนดูเห็นหนังตัวอย่างซึ่งส่วนมากก็จะยาวประมาณสักนาทีสองนาทีให้ได้เห็นว่าหนังจริงนั้นเป็นอย่างไรพอเห็นหนังตัวอย่างที่ถูกอกถูกใจ ก็อยากจะดูหนังจริงเออต่อไปพอหนังจริงเข้าฉายเมื่อไหร่ก็รีบไปดูกันอันนี้ก็เหมือนกันคราวนี้กะสมาธินี่ก็เป็นเหมือนกับหนังตัวอย่างหรือสินค้าตัวอย่างมสมัยก่อนเขาจะมีสินค้าตัวอย่างมาแจกะ เช่นสบู่ก็เป็นก้อนเล็กๆเหล่าก็เป็นขวดเล็กๆให้ผู้ที่ไม่เคยได้สัมผัสกับสินค้านั้นๆได้ทดลองสัมผัสดูใช้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรพอได้สัมผัสได้ลองใช้ดูแล้วถ้าดีถ้าชอบ ก็จะได้ไปสั่งซื้อสินค้าตัวจริงต่อไปคณิกะสมาธินี่ก็เป็นเหมือนกับสมาธิตัวอย่างถ้าใครได้สัมผัสกับคณิกะสมาธิแล้วก็จะเกิดความยินดีเกิดความชันทะเกิดความปรารถนาที่อยากจะสัมผัสกับสมาธิ ในรูปแบบเต็มรูปแบบก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเจริญสติให้มากขึ้นให้บ่อยขึ้นเมื่อได้มีการเจริญสติได้มากขึ้นบ่อยขึ้นกำลังของสติก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้น เวลาดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ก็สามารถดึงไว้ให้อยู่ในความสงบได้นานขึ้นไปตามลำดับพอจิตได้สงบนานขึ้นไปตามลำดับคือไม่ใช่เป็นแบบงูแลบลิ้นอาจจะสงบได้ห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างสิบห้านาทีบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้าง อันนี้เราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธินนี่สมาธิที่สงบเย็นสบายใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาใจไม่ไปทำอะไรต่างๆถ้าใจไปทำอะไรต่างๆเช่นไปรับรู้เรื่อง ของโลกทิพยนะ์เช่นไปรับรู้เรื่องกายทิพย์ต่างๆพวกดวงวิญญาณชนิดต่างๆสามารถติดต่อกับเทวดาติดต่อกับดวงวิญญาณได้นี่ก็เรียกว่าออกไปจากอัปปนาสมาธิไปสู่อุปจารสมาธนะิอุปจารสมาธินี้ ใจใจจะไม่นิ่งไม่สงบเพราะใจจะท่องเที่ยวไปในโลกทิพย์เนี่ยที่เรียกว่าไปสวรรค์ไปนรกนี่ไปเที่ยวสวรรค์ไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์ก็ไปเจอพวกเทวดาไปเที่ยวนรกก็เจอพวกสัตว์นรกหรือพวกเปรตพวกอสุลกาย นี่เรียกว่าอุปจารสมาธิสงบแล้วแต่ไม่อยู่เฉยๆเป็นพวกสุขสนหรือพวกผาดโผนพวกซอกแซกสอดรู้สอดเห็นอยากรู้นั่นอยากรู้นี่ก็จะไม่อยู่เฉยๆในอัปปนาสมาธิจะออกไปรู้เรื่องกายทิพย์บ้างหรือไปมีอภิน ญ, ญา มีตาทิพหูทิพไประลึกชาติได้เนี่ยระลึกว่าชาติก่อนเคยเกิดมาเป็นอะไรเป็นใครชาติต่อชาติก่อนหน้านั้นเป็นอะไรสามารถย้อนชาติกลับไปได้เรื่อยๆอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ใช้อุปจารสมาธินี้ระลึกกตชาติเธี่ย เช่นพระเจ้าสิบชาติที่พระพุทธเจ้าทรงนำเอามาสอนพวกเราก็เป็นชาติต่างๆของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นพระมหาชนกบ้างเป็นพระเวชสันดรบ้างเป็นพระเตมีบ้างมีอยู่สิบชาติด้วยกันเป็นสิบชาติตัวอย่างของบรรดาภพชาติต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเป็นมาในอดีตเนี่ ย, ยผู้ที่เข้าอุปจารสมาธิได้ก็จะมีความสามารถเหล่านี้ได้แต่อาจจะไม่ได้ครบทุกแบบทุกอย่างบางคนอาจจะได้อย่างเดียวได้รกชาติได้บางคนได้ตาทิพย์ ติดต่อกับดวงวิญญาณได้ติดต่อกับพวกกายทิพย์ต่างๆได้หรือบางท่านก็สามารถอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้ผู้อื่นกำลังคิดอะไรอยู่นี่รู้แล้วคนนี้กำลังคิดเรื่องนั้นกำลังคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เหมือนเราไปาลักลอบเข้าระบบ คอมของคนอื่นคนอื่นเขากำลังติดต่อสื่อสารกันเราก็สามารถเชื่อมต่อระบบเขาไปในระบบเขาได้ก็สามารถที่จะไปลักลอบเอาข้อมูลต่างๆที่เขามีอยู่ในระบบได้เช่นความคิดของคนนี้กำลังคิดถึงใครกำลังว่าใครกาลังชมใครถ้า มีอุปจาระสมาธิแบบนี้ก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่นี่เรียกว่าอภินยาคือความสามารถพิเศษของจิตอุปจาระสมาธินี้กับอัปปนาสมาธินี้ถ้าเปรียบเทียบถึง คุณค่าแลหรือประโยชน์แล้วอัปปนาสมาธินี้มีประโยชน์มากกว่าอุปจารสมาธิเพราะว่าอัปปนาสมาธินี้จะเป็นจิตที่นิ่งสงบเป็นเหมือนก้อนหินเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลง ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี้จิตจะปราศจากความรักความชังความกลัวความหลงแต่ถ้าออกจากอัปปนาสมาธิไป อ, อ, อุเบกขานี้ก็จะหายไปไปอุปจารสมาธินี้ก็จะไม่ได้อุเบกขาแต่จะได้อภินยาแทนได้ความสามารถพิเศษ แต่ความสามารถพิเศษของอุปจารสมาธินี้ไม่สามารถเอามาทำลายกิเลสตัณหาตัวที่ฉุดลากจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่าตายเกิดในสังสารวัฏได้จิตที่มีอุปจารสมาธินี้จะไม่สามารถที่จะใช้ปัญญา มาสู้กับกิเลสตัณหาได้ต้องเป็นจิต ท, ที่เป็นอัปปนาสมาธิจิต ท, ที่มีอุเบกขาถ้าจิต ท, ที่มีอุเบกขานี้จะมีกําลังสู้กับความโลภความโกรธความหลงเวลาที่มันปรากฏขึ้นมาเพราะว่าการกําจัดความโลภความโกรธความหลงนี้ จะเป็นเหตุที่ทำให้ไปถึงนิพพานนั่นเองถ้ายังกําจัดความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ก็ยังจะต้องติดอยู่ในสังสารวัฏยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิถ้าต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องอย่าปล่อยให้จิต ออกไปทางอุปจาระสมาธิถ้ามีนิ ส, สัยหรือมีเวทวาสนาที่จะไปทางอุปจาระสมาธิก็ต้องห้ามไว้ห้ามด้วยสติใช้สติดึงกลับมาอย่าปล่อยให้ออกไปท่องเที่ยวในในโลกทิพยนะ์อย่าปให้ไปอ่านวาราจิตของผู้อื่น อย่าปล่อยให้ไปแล้วเลิกชาติเนะี่ยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อการจะกำจัดกิเลสตัณหากำจัดการเวียนว่ายตายเกิดกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงที่เกิดจากความอยากต่างๆ ถ้าไปทางอุปจาระสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาก็จิตก็จะไม่มีกําลังสู้กับกิเลสตัณหาถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับตอนที่นอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับแล้วไม่ฝันนอนหลับสนิทกับนอนหลับแล้วฝันนี้จะมีความรู้สึกต่างกันเวลานอนหลับสนิทนี้ตื่นมา จะรู้สึกมีกำลังวังชาสดชื่นเบิกบานแต่ถ้านหลับไปแล้วฝันฝันเรื่องราวต่างๆบางทีไปฝันเรื่องไม่ดีตื่นขึ้นมาก็เหนื่อยมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการฝันไม่ได้พักผ่อนหลับนอนอย่างเต็มที่ ก็จะไม่มีกำลังวางชาเหมือนกับการหลับสนิทแบบไม่ฝันอันปปนาสมาธินี้ก็เป็นเหมือนสงบแบบไม่มีไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อร้ากับการท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อร้ากับการรับเลึกชาติอะไรต่างๆออกจากสมาธิมาก็จะมีกำลัง ที่จะสู้กับอารมณ์โลภโกรธหลงรักชังกลัวหลงถ้าต้องการที่จะกำจัดกิเลสคือความโลภโกรธหลงหรือกำจัดความอยากคือกามะทันหาภวตันหาวิภวตันหาก็จะสามารถทำได้เลยถ้ามีปัญญาเป็นผู้สนับสนุน นี่คือสมาธิที่ผู้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานจะต้องใช้อปปนาสมาธิอย่าไปทางอุปจาระสมาธิถ้ามีวาสนาจะไปทางนั้นก็ ดึงเอาไว้อย่าปล่อยให้ไปแต่เท่าที่ได้ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าผู้ที่จะไปทางอุปจารสมาธินี้มีไม่มากเป็นบุคคลพิเศษบุคคลที่มีความสามารถพิเศษนี้มีไม่มากอุปจารสมาธินี้ถึงแม้ว่าเราจะห้ามไม่ให้มันไป ต่อไปถ้าเราทํางานในการกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้วเราก็ยังสามารถใช้อุปจารสมาธิใช้อภิญญามาทําประโยชน์ต่อไปได้เช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่ทรงตัดซาลแล้วทรงกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจแล้ว ทรงยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วพระองค์ก็ยังใช้อุปจาระสมาธิมาเป็นประโยชน์เช่นทรงรลลกชาติต่างๆของพระองค์แล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้กับผู้อื่นหรือทรงใช้ความสามารถในการติดต่อกับกายทิพย์ดวงวิญญาณต่างๆทุกขืเ น, นี้พระพุทธเจ้าจะติดต่อกับเทวดา จะแสดงธรรมโปรดเทวดาก็ทรงใช้อุปจารสมาธินี้แหละเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีอุปจารสมาธิมีแต่อปนาสมาธินี้จะไม่สามารถที่จะติดต่อกับพวกกายทิพย์ได้ไม่สามารถไปโปรดพุทธมารดาที่เป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิทธิ์ได้ต้องใช้ อุปจารสมาธิถึงสามารถจะติดต่อกับพุทธมารดาที่เป็นเทพอยู่ในสวรรค์ได้และสามารถอบรมสั่งสอนโปรดพุทธมารดาแสดงธรรมตอลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกันหนึ่งไตรมาสหนึ่งพันษาจนพุทธมารดาได้บรรลุเป็น พระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งเป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสของพระนิพพานที่สามารถไหวไปได้ด้วยตนเองพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วนี่สามารถปฏิบัติไปด้วยตนเองได้ไม่ต้องมีคนมาคอยสอนมาคอยบอกสามารถเลื่อนขั้นขึ้นสู่ขั้นที่สองที่สามที่สี่ได้ด้วยตนเอง แต่อาจจะช้ากว่าผู้ที่มีครูอาจารย์คอยคอยคอยให้คําแนะนำเพราะถ้ามีครูอาจารย์คอยให้คําแนะนําก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็ต้องลองผิดลองถูกแต่ก็จะไม่หลงทา ง, งไม่หลงทางจะไม่ออกนอกลู่นอกทางสู่พระนิพพาน เพียงแต่ว่าอาจจะช้าล่าช้าหน่อยนี่คือทำไมพระโสดาบันบางรูปถึงใช้เวลาเจ็ดชาติถึงจะบรรลุถึงขั้นที่สูงกว่าได้บางท่านก็บรรลุภายในชาติเดียวเลยภายในเจ็ดวันก็มีภายในระยะเวลาสองสามนาทีก็มีแล้วแต่ ความฉลาดนว่นเร็วของสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ต้องมีอปปนาสมาธิก่อนถึงจะสามารถใช้ปัญญาเพื่อตัดสั ง, สงโยชน์ต่างๆที่เป็นเชือกรัดใจให้ติดอยู่กับสังสารวัฏอยู่กับตายพบอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิด ดังนั้นถ้าผู้ปฏิบัติสมาธิแล้วไปเจออุปจารสมาธิก็อย่าไปหลงอย่าไปยินดีว่าจะทำให้หลงทางจะทำให้ไม่สามารถไปสู่ขั้นปัญญาเพื่อตัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเพื่อบรรลุมากผลนิพพานได้ก็จะติดอยู่ในอภินยา ยกตัวอย่างพระเทวทัตเนี่ยท่านก็ได้อภิญญาท่านได้อุปจารสมาธิแล้วท่านก็หลงไปกับความสามารถพิเศษของท่านท่านคิดว่าท่านเก่งท่านมีความสามารถมีอภิญญามีอิทธิฤทธิ์ก็เลยเกิดความโลภความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมา ถึงกับกล้าไปขอพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ปกครองสงทแทนพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเพราะทรงรู้ว่าพระเทวทัตนี้ยังมีกิเลสตัณหาครอบงำจิตใ จ, จยอยู่ถ้าปล่อยให้มาเป็นผู้ปกครองสง์ก็จะต้องวุ่นวายอย่างแน่นอนพระองค์ก็เลยทรงตัดไปบอกว่าแม้แต่ อัคคระสาวกของเราทั้งสองรูปคือภาษารีบุตรกับพระโมคคัลลานะผู้สิ้นกิเลสแล้วเรายังไม่แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ปกครองสงฆ์แทนเราเลยแล้วเธอเป็นใครที่จะมาขอเป็นผู้ปกครองสงฆ์พอทรงตัดอย่างนี้ก็เกิดความโกรธแค้นขึ้นมา มีอุปจารสมาธินี่เวลาเกิดความโกรธแค้นก็ระ ง, งับไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธแค้นนี้ปรักดันให้ไปคิดอาฆาตพยาบาทคิดปงพระชนพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันครั้งแรกก็จ้างคนไปฆ่าก็ไม่สําเร็จครั้งที่สองก็ปล่อยช้างให้มาเหยียบก็ไม่สําเร็จ ครั้งที่สามก็ขึ้นไปอยู่บนเขารอให้พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาแล้วก็กิ้งก้อนหินลงมาเพื่อหวังจะให้ทัพพระพุทธเจา้าก็ไม่โดนพระพุทธเจ้ามีเพียงแต่ส ะ, สะเก็ดหินมากระทบกับพระบาททำให้หเลือดเท่านั้นนี่แหละคือการมีอุปจารสมาธิ จะทำให้ผู้มีอุปจารสมาธินี้หลงตนเองได้คิดว่าตนเองเก่งสามารถาละลึกชาติได้สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้สามารถอ่านความคิดของผู้อื่นได้หรือมีการเหาะเหินเดินอากาศหรือดำดินได้ก็จะทำให้หลงคิดว่าตอนนี้เก่งมีความสามารถ แต่ไม่รู้ว่าสู้กิเลสไม่ได้ความสามารถเหล่านี้กิเลสมันหัวเราะเยาะมันไม่กลัวต่อให้หาะเหินเดินอากาศได้ต่อให้ละเลกชาติได้ก็เอามาหยุดกิเลสตัณหาไม่ได้แต่มันจะกลัวอัปปนาสมาธิเพราะเวลาจิตเข้าไปในอัปปนาสมาธินี้กิเลสตัณหาเหมือนถูกจับขังไวในตะขังไวในคุก ออกมาเพ่นพ่านไม่ได้เวลาจิตสงบจิตเป็นอุเบกขานี่ความรักความชางังความกลัวความหลงนี้มันจะถูกล็อกเอาไว้ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ฆ่ามันก็ดีสมาธินี้ฆากิเลสไม่ได้แต่ล็อกมันไว้ในในคุกได้ในห้องได้ล็อกมันไว้ในอัปปนาสมาธิล็อกมันไว้ในอุเบกขาได้แล้วพอล็อกมันได้ ก็จะง่ายต่อการเอาปัญญามาฆ่ามันปัญญาไม่ต้องไปวิ่งไล่จับมันพอมันอยู่ในคุกในตารางถึงเวลาประหารเพชฌฆาตก็มาจัดการได้อย่างง่ายได้ถ้านักโทษยังไม่ได้ถูกจับขังอยู่ในคุกนถึงแม้จะไปมีโทษประหารชีวิตเพชฌฆาตก็ไม่สามารถที่จะมาประหารชีวิตนักโทษได้ เพนักโทษไม่ได้อยู่ในคุกนั่นเองนักทุกนักโทษอยางออกไปเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับนักโทษเข้ามาขังไว้ในคุกก่อนถึงจะสามารถที่จะใช้เพชฌฆาตมาประหารชีวิตนักโทษได้เนี่ยสมาธิก็เป็นเหมือนห้องขังดีๆนี่เองขังนักโทษคือกิเลสตัณหา ผู้ที่ไปจับกิเลสตัณหามาขังในคุกก็คือสตินี่เองนะเนี่ยสิ่งที่พวกเราขาดกันก็คือเจ้าหน้าที่ที่จะไปคอยจับกิเลสตัณหามาขังไว้ในคุกนะมันถึงออกเพ่นพ่านไปทั่วไปหมดนะยิ่งทุกวันนี้กิเลสตัณหาออกมาเพ่นพ่านมากเพราะคนไม่ค่อยสนใจในการเจริญสติกันไม่สนใจในการควบคุม ความโลภความโกรธความหลงความอยากกันมีแต่ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันส่งเสริมให้กิเลสตัณหานี่ยมีฤทธิ์มีกำลังมากขึ้นไปโลกจึงวุ่นวายขึ้นไปทุกวันวุ่นวายเพราะกิเลสตัณหานี่แหละไม่ได้วุ่นวายเพราะอะไรเพราะขาดเจ้าหน้าที่ที่จะมาคอยจับกิเลสตัณหาไปขังไว้ในคุกนั่นเอง ก็คือขาดการเจริญสติถ้ามีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถาจับพวกกิเลสตัณหาเข้ามาขังไว้ในคุกได้ถ้านั่งสมาธิจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธ <Skillshare. S 1> ิก็เท่ากับจับกิเลสตัณหามาขังไว้ในคุกขังได้นานไม่ได้นานก็อยู่ที่กำลังของสติ ถ้ามีสติมากก็นั่งได้นานสงบได้นานถ้ามีสติน้อยก็สงบได้น้อยทำสงบน้อยก็พยายามนั่งหลายหลายรอบนั่งรอบนี้แล้วเดี๋ยวพอออกมาก็กลับเข้าไปใหม่พยายามเข้าไปในสมาธิให้มากให้บ่อยแล้วต่อไปก็จะมีสติมีกำลังมากขึ้นจิตก็จะสงบได้นานขึ้น กิเลสตันหาก็จะถูกจับขังไว้ในห้องขังไว้ได้นานขึ้นพอขังมันไว้นานๆเวลาออกจากห้องขังใหม่ๆมันก็จะไม่ค่อยมีเลี้ยวมีแรงพอออกจากห้องขังมาก็เอาเพชฌฆาตเอาไปประหารเลยพอออกจากสมาธิมาก็เอาปัญญามาดึงกิเลสตันหาไปฆ่าเลยปัญญาคืออะไรก็คือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตา อริยสัจสี่อันนี้ผู้ที่ได้สมาธิแล้วอัปปนาสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ควรเอามาคิดทางปัญญาคิดทางอริยสัจสี่คิดทงางไตรักถ้ามีอริยสัจสี่มีตารักก็จะฆ่า ก, กิเลสตัณหาได้ทันทีเวลาเกิดกิเลสเกิดความโลภขึ้นมาก็ใช้อริยสัจ ใช้ไตลักษ์นี้มากําจัดมันได้พอเห็นว่าสิ่งที่อยากได้เป็นไตเป็นไตักษเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาก็หยุดความอยากได้หยุดความโลภได้เวลาเกิดความโกรธในสิ่งที่โกรธก็รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาก็หยุดความโกรธได้ใครอยากจะไปโกรธกับฝนบ้างกับแดดบ้างกับลมบ้าง ผลแดดลมนี่มันก็เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนร่างกายของคนเราทุกคนก็เป็นธรรมชาติเป็นดินน้ามลมไฟแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็จะเห็นว่าเป็นคนนั้นคนนี้มีชื่อนั้นชืน่อนี้มีนามสกุลนั้นนามสกุลนี้มีตำแหน่งนั้นมีตำแหน่งนี้มันก็จะเห็นว่ากายเป็นคนไปเป็นมนุษย์ไป แต่ถ้ามีไตรักก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันเป็นดินน้ำลมไฟที่มารวมกันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันไปเวลาคนตายนี่มันหายไปไหนละ่ะร่างกายมันก็กลับไปสู่ดินน้ำลมไฟนี่ถ้ามีปัญญาเห็นไตรักในสิ่งต่างๆความอยากได้ก็จะหายไป เพราะว่าได้อะไรมาก็ได้ดินน้ำลมไฟมาดินน้ำลมไฟมันก็มีอยู่เยอะแยะอยู่แล้วเนี่เต็มไปหมดมันมีคุณค่ามีประโยชน์อะไรเราเอามาทำอะไรได้นี่คือถ้าเห็นไตายรักแล้วเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความอยากต่างๆความโลภต่างๆมันก็จะหยุดไปทันที แล้วถ้าเห็นอริยศาสตร์ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากต้องกําจัดมันเท่านั้นไปสนับสนุนมันไม่ได้มันอยากได้อะไรต้องมะต้องห้ามมันไม่ใช่ไปสนับสนุนมันอยากจะดื่มเหล้าอยากไปสนับสนุนมันถ้าสนับสนุนมันแล้วมันจะดื่มเรื่อยๆมันจะอยากไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้มันหยุดอยากก็ต้องอย่าไปทําตามความอยาก พอไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเองแล้วความอยากก็จะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปนี่คือเห็นอริยสัจสิเห็นทุกขสมุทัยที่เกิดจากกิเลสตัณหาแล้วเห็นมรรคก็คือไตรลักษณ์ที่จะมาหยุดความอยากต่างๆนั่นเองนี่คือขั้นของปัญญา หลังจากที่ได้สมาธิแล้วต้องได้อัปปนาสมาธิแล้วต้องได้มากๆได้บ่อยๆได้นานๆได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ได้แค่ครั้งสองครั้งครัแบบเดียวออกจากสมาธิมาแล้วก็ไม่กลับเข้าไปอีกเลยถ้านักปฏิบัติสมาธิจริงๆในขั้นสมาธินี้จะเข้าออกเข้าออกในสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืน ออกจากสมาธิมาก็มาเจริญสติต่อมามากว้าเอากิเลสตัณหากลับเข้ามาสู่สมาธิต่อหรือไปรวบรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ที่จะไปจับกิเลสตัณหามาขังไว้ในคุกต่อนะเวลาออกจากสมาธิมาก็มาเจริญสติต่อมาสร้างกำลังของสติให้มีเพิ่มมากขึ้นพอมีกำลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ นั่งใหม่ก็สามารถจับกิเลสตัณหาเข้าไปขังไว้ในสมาธิได้เพิ่มขึ้นอีกแล้วพอหมดกำลังก็ออกมาเจริญสติใหม่ในช่วงที่เจริญสมาธินี้จะไม่ทำอะไรจะทำแค่สติกับสมาธิเท่านั้นปัญญายังไม่ต้องไปสนใจเพราะใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วจิตมันจะฟุ้งกลายเป็นสัญญา แล้วจะกลายเป็นอารมณ์กลายเป็นกิเลส ข, ขึ้นมาได้ยังไม่ควรไปทางปัญญาถ้ายังไม่ได้สมาธิแบบเต็มร้อยต้องพยายามสร้างสมาธิให้เต็มร้อยคือให้มันสงบได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและขณะที่ออกจากสมาธิมา พอได้สมาธิแบบเต็มร้อยแล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิถึงมาใช้ปัญญาต่อหัดมาคิดในทางใตรลักต่อไปคิดอะไรให้คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงนี่แหละเพราะว่าเวลามันเวลาได้มามันสุขแต่พอมันมันเปลี่ยนไปมันไม่เที่ยงมันก็กลายเป็นทุกข์ไปไม่ว่าจะได้อะไรมาดีขนาดไหนก็ตาม ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอความทุกข์เพราะมันจะเปลี่ยนไปหรือมันหมดไปมีเงินมากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวถึงเวลาตายไปมันก็หมดไปมีตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนเดี๋ยวถึงเวลามันก็หมดไปถ้าถ้ามิครบอายุกกเกษียณเคยเป็นอะไรใหญ่โตขนาดไหนเขาก็ปลดออก หรือถ้าตายไปก่อนกเกษียณอายุก็หมดเหมือนกันยันทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดีขนาดไหนให้ความสุขมากน้อยขนาดไหนไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจ์เมื่อมันสิ้นสุดลงอะไรจะตามมาถ้าไม่ใช่ความทุกข์อันหนึ่งเรียกว่าอนิจจงแล้วก็ทุกขขังแล้วก็อนัตตา อนัตตาก็คือไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ไปสั่งมันได้สั่งให้สิ่งนี้เที่ยงสิ่งสั่งให้สิ่งนั้นเที่ยงสั่งให้คนนั้นเที่ยงสั่งให้คนนี้เที่ยงสั่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสามวันดีสี่วันไข่เห็นไหมคนที่เราอยู่ด้วยเป็นไงสังเกตดูดีทุกวันรึเปล่าบางวันก็ดีบางวันก็ร้าย นี่เพราะว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนถ้าไปหวังอะไรจากเขาพอไม่ได้ดังใจก็จะเสียใจถ้าคิดอย่างนี้ด้วยตายรักแล้วเห็นตายรักแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะการได้อะไรหรือมีอะไรก็เท่ากับการได้ความทุกมีความทุกนั่นเองถ้าไม่มีอะไรไม่ได้อะไรก็ไม่มีความทุก ผู้ที่มีสมาธิก็ไม่ต้องการอะไรไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับสมาธิอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าพอใจสามารถใช้ปัญญาทําลายความโลภความอยากต่างๆได้หมดแล้วใจที่สงบแบบเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็กลายเป็นใจที่สงบอย่างถาวร เพราะตัวที่มาทําลายความสงบคือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆมันถูกทําลายไปหมดนั่นเองเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ในใจใจก็หลุดพ้นใจก็บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานนั่นเองสิ้นกิเลสเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาพใจที่สิ้นกิเลสก็คือใจของพระอารหันต์ใจที่ถึงนิพพาน ก็คือใจของพระ อ, อรหันต์ผู้ที่ไม่มีกิเลสผู้มีแต่บรล ม, มสุขนั่นเองมีความสุขแบบถาวรมีความสุขแบบไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปเพราะสิ่งที่มาทำให้ความสงบเสื่อมนั้นถูกทาลายไปหมดก็คือความโลภความอยากต่างๆกิเลสตัณหาชนิดต่างๆจะถูกปัญญาทาลายไปหมด ด้วยการสนับสนุนของอัปปนาสมาธิคืออุเบกขาถ้าใจไม่มีอุเบกขาเช่นใจมีอุปจารสมาธิเวลาจะมาเจริญปัญญาจะไม่มีกำลังสู้กับความโลภความอยากเช่นพระเทวทัตเนี่ยพอเกิดความโลภความอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่สามารถเอาปัญญามาหยุดความโลภความอยากนี้ได้ แต่ถ้ามีอัปปนาสมาธินี่พอเกิดความโลภความอยากปัญญาก็จะมาบอกว่าเป็นทุกขนะ์เนี่ยเพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ควบคุมบังคับไม่ได้พอเห็นว่าเป็นไปเป็นตายรักก็ไม่เอาดีกว่าหยุดความโลภหยุดความอยากได้ทันทีพอหยุดความโลภได้ความสงบก็กลับคืนมาทันที ความสงบของอัปปนาสมาธิก็จะกลับคืนมาทันทีนี่คือเรื่องของสมาธิชนิดต่างๆที่พวกเรามาฝึกมานะปฏิบัติกันนี้ฝึกเพื่อให้ได้คณิกะสมาธิและอัปปนาสมาธิตามลำดับไปแล้วถ้าเกิด ออกไปทางอุปจาระสมาธิก็ควรที่จะดึงเอาไว้อย่าไปทางอุปจาระจะสลงทางจะไม่เกิดประโยชน์ในขั้นปัญญาจะไม่สามารถเอาปัญญามากำจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพื่อใจจะได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้ามีอุปจารสมาธิเก็บไว้ก่อนเอามาใช้ตอนที่ได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้ว<ม>ถ้าถึงพระนิพพานแล้วทีนี้ก็อยากจะไปทางอุปจารสมาธิก็ไปได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เรียนจบแล้วเหมือนนิสิตนักศึกษาเวลาเรียนอยู่นี้อย่าไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนมากเกินไป ถ้ามัวไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนเดี๋ยวไม่ได้เข้าห้องเรียนก็จะเรียนไม่จบจะต้องเรียนซ้าชั้นหรือถ้าเรียนมากเรียนไม่จบหลายปีก็จะถูกเขาไล่ออกได้เนะ่ยยังต้องทํากิจกรรมในห้องเรียนให้ครบก่อนให้ได้รับปริญญาก่อน เมื่อได้รับปริญญาแล้วอยากจะ อ, ออกไปทํากิจกรรมนอกห้องเรียนไปทําที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทําได้อยากจะไปทําประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบไห น, นก็ไปทําได้เพราะว่ามีความสามารถมีความรู้ที่ได้จากการเรียนจบปริญญามีความสามารถที่จะหาเงินหาทอง เพื่อที่จะเอามาใช้กับการทำกิจกรรมทางสาธารณะกุศลได้ต่อไปแต่ถ้ายังเรียนไม่จบเนี่ยจะไม่สามารถไปหางานทำได้จะไม่มีรายได้จะไม่สามารถที่จะไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนได้เพ็นั้นอย่าพึ่งไปขณะที่เรียนอยู่นี้ต้องตั้งใจเรียนกิจกรรมห้องนอกเรียนนี้เขาให้มีไว้สำหรับส่งเสริมทักษะของชีวิต เท่านั้นเองให้รู้ว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผู้อื่นไม่ใช่จะเอาแต่ประโยชน์ใส่ตนเพียงอย่างเดียวแต่ในเบื้องต้นนี้ให้ไปเพียงไปดูตัวอย่างของการทำกิจกรรมห้องน้องเรียนเท่านั้นเอง กิจกรรมที่แท้จริงที่ต้องทำก็คือการเข้าห้องเรียนเพื่อเพื่อเรียนเพื่อทำการบ้านและเพื่อเพื่อสอบให้ให้สอบให้ผ่านเพื่อที่จะได้ไปรับปริญญาต่อไปการปฏิบัติธรรมก็แบบเดียวกันการปฏิบัติธรรมนี้ในเบื้องต้นนี้ต้องมุ่งไปที่มรรคผลนิพพานมุ่งไปสู่การบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อได้บรรลุแล้วทีนี้จะไปทํากิจกรรมประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นก็สามารถทําได้ถ้ามีอุปจาระสมาธิก็สามารถใช้อุปจาระสมาธิมาใช้ประโยชน์ได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ตอนเช้าก่อนจะออกบินทบาทก็ทรงใช้อุปจาระสมาธินี่เลงญาณส่งกระแสจิตไปดูว่าจิตของใคร สุกงอมพร้อมที่จะบรรลุธรรมในวันนั้นเอออันนี้ก็ส่งกระแสจิตไปอ่านวารต์จิตของผู้อื่นนั่นเองจะรู้ว่าจิตคนนี้กําลังคิดอยู่กับเรื่องอะไรอยู่จิตคนนี้กําลังคิดอยู่กับเรื่องอะไรอยู่ในระดับไหนพอเห็นว่าจิตนี้อยู่ในระดับของของมรรคผลนิพพานก็ไปโปรดคนนั้นเลยพอแสดงมรรคผลนิพพานให้เขาฟังเขาก็บรรลุได้เลย อันนี้เป็นการใช้อุปจารสมาธิหลังจากที่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้บรรลุถึงพานิพานแล้วพระพุทธเจ้าใช้อุปจารสมาธิทุกวันวันละสองรอบรอบดึกก็ใช้อุปจารสมาธิในการแสดงธรรมให้กับถวยเทพทั้งหลายมีเทวดามาฟังเทศฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าทุกคืน แล้วในตอนเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาตก็เล็งยานดูว่าจิตของใครพร้อมที่จะรับธรรมะในวันนั้นก็ส่งมุ่งไปโปรดคนนั้นก่อนนี่คือประโยชน์ของการมีอุปจารสมาธิมีประโยชน์หลังจากที่เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว แต่ไม่มีประโยชน์ในช่วงที่เรากำลังปฏิบัติเพื่อมรลุมรรคผลผนิพพานมันกลับจะทำให้เราหลงทางได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราเสียเวลาได้เพราะแทนที่จะเอาเวลามาสร้างอุปั ป, ปนาสมาธิสร้างอุเบกขาไว้เพื่อเอาไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาก็มัวปตาไปแต่ไปไ ป, ไปในอุ ป, ปจารสมาธิ ไปท่องเที่ยวไปสนทนาไปคุยกับกายทิพย์ชนิดต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ก็ตามแต่มันไม่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติไม่สามารถเอาปัญญามาใช้เพื่อกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ดังนั้นในการฝึกษณาที่เบื้องต้นนี้ ต้องอย่าปล่อยให้ใจไปทางอุปจารสมาธิถ้าใจมีวาสนามีความสามารถที่จะไปก็ต้องดึงเอาไว้ก่อนอย่าเพึ่งไปเล่นกับอุปจารสมาธิให้ดึงจิตให้อยู่ในอัปปนาสมาธิให้นานให้มากให้บ่อยพยายามเข้าอุปจารสมาธิอยู่เรื่อยๆพอออกมาก็ต้องรีบมาเจริญสติต่อ เพื่อให้มีกำลังที่จะดึงจิตให้กลับเข้าไปในอัปปนาสมาธิจนต่อไปนี้จิตจะสงบทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและสงบในขณะที่ออกจากสมาธิพอไม่สงบก็ดึงจิตกลับเข้าไปในอัปปนาสมาธิใหม่ไม่ต้องไปเจริญปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาให้เจริญสติไปก่อนเอาอัปปนาสมาธินี้ให้มัน เต็มร้อยก่อนให้มันสงบทั้งขณะที่อยู่และขณะที่ออกมา พอมันจะไม่สงบก็กลับเข้าไปใหม่ขณะที่ออกมาก็หมั่นเจรานสติต่อไปถ้าใช้พุทธโธก็หมั่นพุทธโธพุทธโธไปถ้าใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เฝ้าดูไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดบุงแตกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้อย่าปล่อยให้ไปในอดีตอย่าปล่อยให้มันไปในปัจจุบัน ให้ในอนาคตนึงมันไว้ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับร่างกายก็ได้แล้วพอมีกำลังก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่นั่งนั่งสมาธิใหม่วันหนึ่งนี้นั่งได้หลายรอบพลัดกันก็ได้รอบนี้ชั่วโมงนี้เข้าสมาธิชั่วโมงหน้าออกมาเดินจงกรมชั่วโมงต่อไปกลับเข้าไปในสมาธิทําอย่างนี้สลับไปสลับมา ไปจนกว่ า, าจิตจะสงบตลอดเวลาออกมาก็สงบด้วยสติเข้าไปก็สงบด้วยสมาธิพอเราสามารถควบคุมความสงบได้ตลอดเวลาแล้วทีนี้เราก็ค่อยไปเจริญปัญญาไปพิจารณาตายลักษณ์ในสิ่งต่างๆพิจารณาตายลักษณ์ในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสพิจารณาตายลักษณ์ใน ร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไก่เป็นไตรักทั้งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเขาก็อย่าไปอยากได้เขามาเป็นของเราพอได้เขามาเป็นของเราก็จะทุกข์ทันทีถ้าไม่ได้เขามาเป็นเราเราจะไม่ทุกข์เวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาเป็นอนิจจังเราจะไม่ทุกข์แต่พอได้เขามา เป็นของเราพระเขาเป็นอนิจจังขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาทัานทีพอเขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข์ขึ้นมาพอเขาจะตายก็จะทุกข์ขึ้นมาพอเขาเปลี่ยนไปจากดีมาเป็นไม่ดีก็จะทุกข์ขึ้นมาทัานทีแล้วถ้าเห็นตายรักแล้วก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าของเงินทองหรือเป็นบุคคลต่างๆหรือเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ บางคนไม่ชอบค น, คนก็ไปชอบหมาก็มีเลี้ยงหมาแทนเลี้ยงคนนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงนกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันก็ทุกเดี๋ยวก็ไปทุกข์กับเป็ดกับไก่ทุกข์กับหมา ก, กับแมวเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรเป็นไปถ้าไม่อยากพอเห็นว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขขังก็ไม่ไม่เอาอะไรดีกว่าไม่เล่นกับอะไรดีกว่า มีอะไรเล่นกับอะไรเดี๋ยวก็ต้องทุกข์กับมันถึงแม้จะไม่เป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ทุกข์บางคนก็ชอบเล่นรถยนต์บางคนก็ชอบเล่นปืนบางคนก็ชอบเล่นอะไรต่างๆไปหามาเล่นหามาเล่นก็ต้องมาทุกข์กับการคอยดูแลรักษามันแล้วเดี๋ยวเวลามันหายไปก็ทุกข์กับมันอีกยัไม่ว่าจะมีอะไรได้อะไรมามันก็ต้องเจอความทุกข์ทั้งนั้น ถ้าไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็อย่าไปเล่นกับอะไรอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรนี่คือวิธีการเจริญปัญญาต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะว่ามันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมมี มีมามีไปเวลาเกิดดีใจกันเวลาดับเสียใจกันเวลาจเจริญดีใจกันเวลาเสื่อมเสียใจเวลาจเจริญโลกรธรรมนี่ดีใ จ, จเจริญลาบโอ้ยดีใจเงินเดือนออกเงินเดือนขึ้นดีใจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอ้ยดีใจได้รับรางวัลเกียรติเกียรติคุณต่างๆได้รับโลท่ทองคาได้รับตุกตาทองคำเหรียญทอง ได้มาดีใจกันใหญ่พอเวลาไม่ได้ก็เสียใจเวลาเสียไปก็เสียใจได้เงินมาพอถูกเงินพอเงินหมดก็เสียใจได้ตำแหน่งมาพอถูกปลดออกก็เสียใจแต่ไม่คนไม่มีปัญญาจะไม่มองเห็นกันจะเห็นแต่ได้อย่างเดียวโอ้พอได้ตำแหน่งมาโอ้ดีใจฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืน แต่ไม่รู้ว่าจะได้สักกี่เดือนกี่ปีเดี๋ยวพอเปลี่ยนรัฐบาลทีก็ล้มไปหมดตำแหน่งต่างๆที่เขาตั้งกันขึ้นมาพอเปลี่ยนรัฐบาลทีก็เปลี่ยนไปหมดอันนี้คืออนิจจังต้องมองให้เห็นว่าเป็นอนิจจังพอมันเป็นอนิจจังแล้วมันก็ต้องเป็นทุกขขังมันก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาเราไปกาหนดมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มัน อ น, นิจจังให้มันเป็นนิจจังสุขขังไม่ได้นั่นเองอั น, นี่คือเรื่องของปัญญาที่จะตามมาหลังจากที่ได้อัปปนาสมาธิตลอดเวลาทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิและออกจากสมาธิคือได้อุเบกขาตลอดเวลาอยู่ในสมาธิก็มีอุเบกขาออกจากสมาธิก็มีอุเบกขา ตอนนั้นนะ่ะถึงออกไปเจริญปัญญาได้พอเกิดความโลภพอเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วมีอุเบกขาอยู่ก็ห้ามใจได้ทันทีไม่อยากได้ทันทีหยุดได้ทันทีหยุดโลภ ห, หยุดโกรธได้ทันทีเพราะไม่มีความหลงมีปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกข์ถ้ามีความหลงมันจะเห็นว่าเป็นสุขจะเห็นว่าเป็นนิ จ, จังสุขขังอัตตา แต่พอมีปัญญาจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่มาเจริญปัญญาก็จะไม่เห็นถึงแม้จะมีสมาธิมีอุเบกขาแต่เวลาเกิดความโลภขึ้นมาก็ไม่รู้จะหยุดมันยังไงหยุดได้ก็เพียงแต่เข้าไปในสมาธิแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าจะหยุดทำไมในเมื่อ ของที่ได้มามันดีได้พอใครก็จะตั้งตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาถ้าไม่มีปัญญามันจะคิดว่าเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาทันทีแต่ถ้าคอยมีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆพอใครจะตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมามันก็จะบอกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทันทีถ้าไม่เจริญไม่ฝึกคิดในทางอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาได้ลาบยศสรรเสริญได้อะไรมานี้จะคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาทันทีนิจจังก็คือถาวรสุขขังก็คือสุขไปตลอดอัตตาก็คือเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าไม่คิดไม่สอนใจไว้ก่อนมันจะไม่มีข้อมูลมาเตือนใจเวลาที่มีอะไรมี เวลาที่จะได้อะไรมานี่มันจะความับทันทีใครยื่นเงินยื่นทางมาให้นี่จะคว้ามับทันทีใครจะยื่นตำแหน่งให้นี่คว้ามับทันทีใครจะให้รางวี่รางวัลนี้รับทันทีแต่ไม่คิดถึงเวลาที่มันเสื่อมเวลามันเป็นอนิจจงเวลามันเปลี่ยนไปเวลามันหมดไปก็จะรู้สึกเสียใจขึ้นมาทันที อันนี้คือปัญญาที่ต้องมาเจริญกันหลังจากที่ได้เจริญสมาธิได้เต็มร้อยแล้วแล้วค่อยมาเจริญปัญญาต่อมาพิจารณาตรลักอยู่เรื่อยๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดต้องมีวันที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงหรือต้องมีวันที่มันจะต้องเปลี่ยนไป พอมันเปลี่ยนไปหรือสิ้นสุดลงความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าไม่ต้องการจะมีความทุกข์ก็อย่าไปมีสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองอย่าไปมีสิ่งที่เป็นตายลักให้ไปมีสิ่งที่ไม่เป็นตายลักคืออะไรก็คือความสงบของใจนี่แหละที่เป็นที่เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตา ย, ตายลักเป็นนิจจังสุขขังอัตตาความสงบของใจนี้ต่อไปมันจะเป็น ความสุขที่สาวนถ้าถ้าสามารถกำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้มันก็จะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาสุขไปตลอดไม่มีทุกข์เป็นของเราไปตลอดไม่มีวันที่จะจากเราไปได้ดังนั้นเป้าหมายก็คือเราต้องมากำจัดความโลภความ อยากต่างๆเวลามันเกิดขึ้นมาด้วยการใช้ไตรลักษณ์ด้วยการใช้อริยสัจสี่เมื่อมีอริยสัจสี่มีไตรลักษณ์ก็สามารถที่จะหยุดความโลภความอยากต่างๆได้ mm hmm. พอหยุดความโลภความอยากต่างๆได้ความสงบที่ไม่ถาวร mm hmm. ก็กลายเป็นความสงบที่ถาวรต่อไป เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่เป็นของเราไปตลอด น, นี่แหละคือความสุขของพระนิพพานเป็นอย่างนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นบรมสุขนิพพานปรามังสุขขังเพราะเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนความว่างนั่นเองคือความไม่มีอะไรความว่างก็คือไม่มีอะไร ถ้าความสุขที่ตั้งอยู่บนราบยศสรรเสริญก็จะเป็นความทุกข์เพราะตั้งอยู่บนอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแต่ถ้าเป็นความสุขที่ตั้งอยู่บนความว่างความว่างนี้ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตต์ไม่มีอะไรแล้วมันจะทุกข์กับอะไรได้ไม่มีแฟนจะทุกข์กับแฟนได้อย่างไรไม่มีสมบัติจะทุกข์กับสมบัติได้อย่างไร ถ้าอยู่กับความว่างได้อยู่แบบไม่มีอะไรได้ก็ไม่มีก็จะไม่มีความทุกข์ตามมานั่นแหละคือความทุกข์ความสุขของพระนิพพานพระนิพพานนี้อยู่บนความว่างเพราะจิตไม่ต้องการอะไรจากสิ่งต่างๆเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เลยอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความว่างนี่ก็คือความไม่มีอะไรนี่ ความว่างก็แปลว่าไม่มีอะไรเมื่อไม่มีอะไรก็จะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีอะไรมันก็จะต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาตามมาทันทีนอกจากความสงบของใจเท่านั้นถ้าได้กำจัดความโลภความอยากต่างๆหมดไปแล้วมันก็จะเป็นอนิจจังสุขขังอัตตา <ual cheesecake. S 1> มันจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อมันไม่มีอะไรแล้วไม่มีความอยากได้อะไรแล้วเท่านั้นเอง นี่คือเรื่องของการเจริญสติเจริญสมาธิเพื่อให้ไปไปเจริญปัญญาต่อเมื่อได้สติก็จะได้สมาธิเมื่อได้สมาธิก็จะไปใช้ปัญญาเพื่อที่จะมากําจัดสิ่งต่างๆที่มาทำให้ใจทุกข์ได้เมื่อสิ่งต่างๆที่ทำให้ใจทุกข์ ถูกกำจัดไปหมดแล้วใจก็ว่างจากสิ่งต่างๆใจก็สงบใจก็สุขไปตลอดเป็นนิบานังประมังสุขขังนิบานังประมังสุญญ์อย่างนีง้นี่คือเรื่องของสมาธิสามรูปแบบที่เรามานั่งกันมาหัดกันขอให้เรารู้ว่าเรานั่งเพื่อเพื่ออะไรนั่งแล้วจะได้อะไรเราอย่าไปหลงเอา สมาธิชนิดที่เป็นโทษกับเราได้นะให้ไปเอาสมาธิแบบที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือสมาธิที่นิ่งสงบเป็นอุเบกขาสัพตะวารูอย่าเพิ่งออกไปรู้เรื่องอย่างอื่นอย่าไปสนใจเรื่องอัอุปจารสมาธิอย่าไปสนใจเรื่องอเรื่องอภิญญาต่างๆไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะมาสร้างนิพพานขึ้นมา มาเอาอัปปนาสมาธิที่จะมาทำให้จิตเป็นนิพพานก่อนเมื่อเป็นนิพพานแล้วค่อยไปใช้อุปจาราสมาธิในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิทิตังปฏทิตังต um ุมหังคิปเมวะสมิจตาโตสาเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติอราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ าพิวาทานาสีฤิธานิจังมุทภาะจายิโนจตารโธรรมาวาทันติอายุวันโอสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครฟังเทศแล้วไม่เข้าใจหรืออยากจะถามอะไรเพิ่มเติม ก็เป็นช่วงนี้ที่จะถามได้แต่พอเลิกแล้วพอปิดเครื่องแล้วก็ห้ามถามไม่ตอบต้องถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะจากเฟ c บุ๊ o มีมยี3สิบสามยูทูบสอป วิทย์ออนไลน์ย2่บผู้รับฟังบนนี้ห้าสิบสามรวมห9ร้อยเก้าสิบเก้าท่านค่ะอืมขาดหนึ่งท่านเดียวก็เป็นเจ็ดร้อยครับกับเรอจารย์ครับผมพันธุพัลศรีนาครับขอญาติเรียนถามครับสองคำถามครับเรื่องแรกคือเวลาที่เรานั่งสมาธิครับแล้วนั่งไปนานๆแล้วเกิดความปวดปวดมากๆครับจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ ก็แสดงว่าสติเรามีกำลังน้อยจิตเราเริ่มออกมาทางร่างกายมารับรู้เรื่องของความเจ็บของร่างกายแล้วพอเกิดความเจ็บจิตก็เกิดความอยากให้หายเจ็บมันก็เลยไปสร้างความทรมานใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่บริกรรมพุทโธพุทโธไป ดึงจิตให้กลับเ ข, ข้าไปข้างไหนอย่าให้มารับรู้เรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจกับความเจ็บของร่างกายพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆจิตมันก็จะเข้าไปข้างไหนมันก็จะไม่มาสนใจกับความเจ็บของร่างกายจิตก็จะไม่มาสร้างความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ทรมานของจิตก็จะหายไปความเจ็บของร่างกายถึงแม้จะมีอยู่ก็ทนได้ไม่เดือดร้อน ยิ่งเวลาเจ็บแล้วต้องรีบพุโทโธเลยพุโทโธพุโทโธแล้วสวดมนต์ไปก็ได้แต่มันจะยากเพราะตอนนั้นมันจะคิดแต่อยากจะลุกอยากจะให้มันหายเจ็บเท่านั้นแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไม่ได้แก้ปัญหาทุกครั้งมาเจอเจอความเจ็บก็ต้องหนีมันไปทุกครัง้งถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาก็ต้องอยู่กับความเจ็บให้ได้วิธีจะอยู่กับความเจ็บก็ต้องให้จิตมีสติมีพุโทโธ ให้จิตมันวางเฉยให้ได้เป็นอุเบกขาให้ได้ก็เลยต้องใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปถึงแม้ว่าจะไม่อยากบริกรรมก็ต้องบังคับให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันเหมือนกับจะปีนเขาเยเหนื่อยความจริงทั้งพุทโธไม่เหนื่อยแต่ตอนนั้นมันไม่อยากจะท่องแต่ต้องบังคับให้มันบริกรรมไปบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปให้มันขาดใจตายไปกับพุทโธเนะ ถ้ามันรู้สึกขาดใจตายมันก็จะปล่อยร่างกายแล้วมันก็จะสงบแล้วอาการเจ็บปวดของร่างกายก็จะไม่มารบกวนจิตใจบางทีมันหายไปบางทีไม่หายไม่หายมันก็ไม่มารบกวนอยู่กับมันได้อยู่กับความเจ็บปวดได้ขอคำถามที่สองครับขอญาติอยากจะทราบธรรมะเกี่ยวกับการปกครองมกุฏ บ, บัญชา ของผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่จะปกของผู้ใต้บังคับบัญชาครับให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทํางานตอบสนองต่อประเศชาติบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมีธรรมะข้อใดที่ ท, ที่ควรยึดถือบ้ครับมีมีอยู่สิบข้อไงที่เรียกว่ า, อ, าอะไรนะภาษาบาลีจำไม่ได้แล้วเกี่ยวกับพระราชาอะไรเนี่ยพระทศทศเพศราชธรรมเนี่ยก็ ครวมร า, าชาไม่ได้หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินคนเดียวพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นผู้ปกครองสูงสุดแต่ผู้ปกครองทุกระดับก็สามารถใช้ทศพิศดราชธรรมได้เช่นต้องมีความเมตตามีความเสียสละมีความอดทนอดกลั้นไม่ใช่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงามจิตใจกอดลูกน้องก็เตะตบลูกน้องนีอย่างนี้ก็ทาไม่ได้ต้องใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญา นี่เราจําไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างอยู่สิบประการต้องไปคนไน้นในหนังสือแล้วใน Google ดูเอาไปใช้ได้ถ้าฝึกมีทศพิธราชธรรมมีคุณสมบัติสิประการนี้ลูกน้องผู้บังคับใต้บังคับบัญชาจะเคารพนับถือเพราะเราต้องทําตัวอย่างของเราให้เขาเคารพนับถือไม่ใช่เพราะเรามีตําแหน่งแล้วเขาจะเคารพนับถือเราแล้วเคารพนับถือเพราะเรามีคุณธรรมที่เขาไม่มี โดอเขาอยากจะมีเมื่อเขาเห็นเรามีก็ท่าทำให้เราอดที่จะเลื่อมสายเราไม่ได้เช่นจาฆาการเสียสละเถ้าเป็นหัวหน้าอาแต่เอาเจ้าตัวรอดอย่างนี้ลูกน้องมันก็ไม่เอาด้วยแต่ถ้ารู้ว่าหัวหน้ายอมตายแทนลูกน้องได้อย่างนี้ลูกน้องมันก็ยอมตายแทนหัวหน้าได้นะาเข้าใจไหมครับขอบพระคุณครับ มีใครทางนี้อยากจะถามไหมไม่มีก็เอาทางบ้านก่อนนะ เ, เีืยอข้อความเข้ามามีคำถามฝากถามจากผู้รับฟังข้างบนนี้นะคะมีสองข้อคะ่ะข้อที่หนึ่งในตอนเช้าพระที่บินธบาตได้อาหารมาจำนวนมากแล้วมีญาติโยมมารับเอาไปขาย ในราคาถูกคนที่มาซื้อก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นของเหลือจากการบินทบาทใครถามพระอาจารย์ว่าคนที่มาซื้อและคนที่นำอาหารเหลือจากบินทบาทมีความผิดหรือไม่อย่างไรครับโดยโดยไม่ได้นำเงินที่ขายได้ไปถวายวัดเอาเข้ากระเป๋าตัวเองครับเขาไปเอามาได้อย่างไรนะ อาหารมันก็ภาพอินฑบาตภาพก็เป็นของพระไปถ้าพระให้เขาก็เป็นของเขาไปพอเป็นของเขาเขาจะไปขายเอาไปแจกก็ได้มันก็ปเป็นเรื่องของเขาตราบใดที่อาหารที่เขาเอามาขายเป็นของที่เขาได้มาโดยไม่ผิดศีลผิดกฎหมายก็ไม่มีความเสียหายตรงไหนก็ไม่บาปบาปก็ต่อเมื่อเขาไปขโมยของ อาหารของพระแล้วก็มาขายเขาก็เขาก็บาปเพราะเขาไปขโมยอาหารของวัดมาขายแต่ถ้าวัดให้เขาด้วยความสเสน่หาหรืออะไรก็สุดแท้แต่บางคนอาจจะมีพระคุณกับวัดช่วยล้างถ้วยล้างชามช่วยทำนู่นทำนี่ให้กับวัดวัดก็อยากจะตอบแทนน้ำใจก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากอาหารที่เหลือเฟือก็แบ่งให้เขาไป แบ่งให้เขาไปเ็จะไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมาเลี้ยงควายเอาไปขายก็เรื่องของเขานะมันก็เป็นของขอ ง, ของเขาที่เขาได้มาโดยสุจริตก็ไม่มีความเสียหายตรงไห น, นข้อสองคนที่มีอาชีพเป็นเซียนพระซื้อขายพระเครื่องวัตถุมงคลจริงๆแล้วสมควรหรือไม่อย่างไรบาปไหมครับมีบัญญัติไว้ในพระพุทธศาสนาไหมครับ พระพุทธรูปนี้ไม่มีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธไม่ให้สร้างกันไม่ให้มีกันนี่เป็นเรื่องของพวกที่ไม่ได้ศึกษาพราะธรรมคําสอนมาทํากันเองซึ่งความจริงพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นเพียงตุกตาท่านเองพระพุทธรูปแล้วก็มานั่งมานั่งนั่งข้านิยมกันขึ้นมาว่า พระพุทธรูปนี้เก่งทางด้านนู้นเก่งทางด้านนี้องค์นี้เก่งทางด้านหาเงินให้เราองค์นี้เป็นรอปภรักษาคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเราแล้วก็พอมีประกาศคุณสมบัติคนที่เชื่อก็ซื้ อ, อไปพอไปใช้เกิดรวยขึ้นมาก็เลยยิ่งเชื่อใหญ่อโอ้องค์นี้ทำให้เรารวยก็เลยไปโฆษณาชวนเชื่ อ, อ ว่าอาจจะอยากจะขายพระที่ซื้อมาก็ได้ซื้อมาหมื่นหนึ่งถ้าไปโฆษณาว่าโอ้ยทำให้รวยเป็นล้านก็อยากจะอาจจะมีคนมาขอซื้อเป็นแสนก็ได้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการตลาดไปเป็นเรื่องสินค้าไปเนี่ยเรื่องพระพุทธรูปนี้คือเรื่องพุทธพาณิชย์ไงครับพุทธาพาณิชย์เห็นพาณิชย์ก็คือการค้าขายพระพุทธรูปก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในพระพุทธศาสนา แต่ก็มันก็หลงเข้ามาเพราะผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับาศาสนาไม่ได้มาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยตกกระไดพลอยโจนกันเชื่อกันตามมาพอเชื่อกันแล้วก็คิดว่าเป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไปก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะมาคัดค้านมาพูดอะไรเพราะพูดไปเดียวก็เจ็บตัวเปล่าๆนี่ถ้าไม่มาถามก็ไม่พูดนะ พนไม่รู้จะเจ็บตัวหรือเปล่าคุณไม่รู้เนี่ยเรียนถามพระารขอาจารย์ถอกขอคําแนะนําในการฝึกความเพียร น, นะคะอะก็ต้องใช้ความขยันสิความขยันทํำยังไงก็ต้องบังคับมันปกติใจมันไม่ชอบปฏิบัติใจมันชอบเที่ยวมันขยันไปทางทางกิเลสมันไม่ขยันมาทางธรรม วิธีจะทำให้มันมาขยานันทางธรรมก็เหมือนกับที่เราบังคับเด็กให้ไปโรงเรียนเนี่เราต้องบังคับถ้าเด็กไม่บังคับมันถามวันหนูวันนี้อยากไปโรงเรียนไหมให้ให้ตัดสินใจเอาเองเด็กมันจะว่างไงไม่ไปละใช่ไมอ่าอย่างนั้นเราก็ต้องใช้มาตรการบังคับต้องกำหนดเวลาขึ้นมาเหมือนกับกำหนดเวลาเรียนของเด็กแปดโงเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ไปไปโรงเรียนตื่นแต่เช้าเตรียม กินข้าวอาบน้ํำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นรถพาไปส่งถึงโรงเรียนเลยแล้วบ่ายตอนเย็นถึงค่อยไปรับกลับบ้านนี่นั่นแหะเราก็ต้องบังคับตัวเราเองแบบนั้นทําตารางไว้สิว่าเวลานี้จะเดินจงกรมเวลานี้จะนั่งสมาธิแล้วก็ต้องทําตามตารางที่เราจัดไว้ถ้าบังคับตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่เขาบังคับเราได้เออจนบางคน ต้องไปอยู่วัดให้เขาบังคับไปฝึกสมาธิต้องไปเข้าคอร์สกันเข้าคอร์สสามวันเจ็ดวันเขาจะมีตารางใช่หไหมเตือนหกโมงไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิยินอาหารเช้าเดินจงกรมพักผ่อนฟังเทศฟังธรรมมีตารางให้ทํากิจกรรมต่างๆมันก็จะเกิดความเพียรขึ้นมาอันนี้พอถูกบังคับไปสักระยะมันก็อาจจะเหมือนรถที่ ตอนต้นมันไม่มันไม่ติดก็ต้องเข็นมันก่อนพอ เ, เข็นพอวิ่งไปสักพักมันก็ติดเครื่องได้เครื่องมันติดที่นี่มันก็วิ่งของมันไปเองได้ตอนต้นก็อาจจะต้องไปให้คนอื่นเขามาควบคุมบังคับเราให้ขยนันพอต่อไปเราเริ่มติดนิสยัยความขยันขึ้นมาเราก็ทําเองต่อไปได้ คำ ถ, ถามจากแม่นกจิบจิบการสวดมนต์ในใจกับออกเสียงอ น, นิสงส์งต่างกันไหมเจ้าคะถ้าต้องการความสงบสวดในใจมันจะสงบกว่าเพราะออกเสียงมันต้องไปถางร่างกายจิตมันต้องส่งออกมาที่ร่างกายมาที่ปากถ้าต้องการสวดให้จิตสงบก็ไม่ต้องออกเสียงสวดไปภายในใจจะได้ประโยชน์กว่า ถ้าต้องการสวดให้คนอื่นรู้ว่าเราสวดเสียงไพเราะก็ต้องออกเสียงบางคนนี่สวดบนโอ้ยเสียงดังลั่นเลยโอวดเสียงว่าเสียงฉันกังวานไพเราะฉันสวดเก่งอย่างนี้ก็ต้องออกเสียงแต่ถ้าต้องการสวดให้จิตสงบก็อย่าไปออกเสียงบางคนก็เข้าใจผิดว่าต้องเสียงดังๆเทวดาถึงจะได้ยินเทวดาไม่ได้ยินเสียงปากเราเทวดามันได้ยินเสียงใจ เพาเทวดาไม่มีหูมาฟังเสียงปากมีหูฟังเสียงเสียงใจะยั้นสวดไปภายในใจเบาๆเทวดาก็ได้ยินถ้าเทวดาอยากจะมาฟังเขาก็มาฟังเองไม่ต้องใช้เครื่องขยายเสียงแบบศาสนาบางศาสนานี่สวดกันแบบดังทั่วทั่วบ้านทั่วเมืองะงั้นไม่ต้องเพราะเราไม่ได้สวดให้ใครเราสวดให้เราเองเราสวดให้ใจเราสงบ คำถามจากคุณอักษรผู้หญิงกับผู้หญิงรักกันผิดศีลไหมเจ้าคะก็แล้วผู้หญิงก็ผู้ชายรักกันผิดศีลหรือเปล่าแล้วมันต่างกันตรงไหนมันก็จิตจิตก็จิตร่างกายก็ร่างกายเหมือนกันเั้นพูดตามหลักแล้วมันไม่น่าจะผิดแต่ที่นี้คําว่าผิดศีลนี้อาจจะผิดประเพณีคะอันนี้เขามีประเพณีทั้งโลกก็มีประเพณีกัน ประเพณีของทางโลกก็คือเขาต้องการให้ผู้หญิงผู้ชายรักกันเพราะว่าเป็นการสร้างครอบครัวไงเป็นการสร้างสังคมสังคมเรานี้มีมาได้ก็เพราะมีผู้หญิงผู้ชายรักกันแล้วก็มีลูกลูกก็จะได้มาสืบทอดสมบัติสืบทอดสิ่งต่างๆที่เราสร้างกันขึ้นมาก็เลยเป็นประเพณีของมนุษย์ที่จะ มีการรักกันระหว่างหญิงกับชายแต่ถ้าถามว่าถ้าไม่ไม่มีความต้องการที่จะไปสืบทอดสังคมสืบทอดครอบครัวผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายมันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะใช่ไหมถ้าเขาไม่ไปทำความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ทางสังคมอาจจะไม่ยอมรับเพราะสังคมถูกสอนให้ให้ให้ให้รับเพียงแบบเดียว คือให้รับแบบสามีภรรยาผู้หญิงผู้ชายอันนี้แต่ความเห็นของสังคมก็เปลี่ยนได้นะในประเทศที่เขาจเจริญทางวัตถุนี้เขาก็เริ่มมีการยอมรับกันมีกฎหมายออกรองรับการมีความรักระหว่างหญิงกับหญิงชายกับชายไม่ถือว่าผิดประเพณีแต่อย่างใดประเทศเราก็รู้สึกจะรับทั้งหมดไม่ใช่นะ ทั้งหญิงทั้งชายหญิงกับชายก็ได้หญิงกับหญิงก็ได้ชายกับชายก็ได้เพราะสังคมเราเป็นค่อนข้างที่จะเปิดกว้างไม่ไม่บีบบังคับกันแต่ถ้าพูดถึงตามหลักประเพณีประเพณีของเราก็ยังถือเรื่องของการมีสามีภรรยาระหว่างหญิงกับชายเพื่อจะได้มีครอบครัวมีการสืบทอดวงตระกูลอะไรต่างๆไป พอดีพูดเรื่องสวดมนต์เลยขอถามพระอาจารย์ว game, ่าการสวดมนต์สำคัญและจําเป็นไหมก็เ like ป็นวิธีฝึกสติอย่างหนึ่งไงแทนแทนใช้พุทโธถ้าเราเราไม่สามารถควบคุมใจให้ท่องพุทโธพุทโธได้แต่เราท่องสวดมนต์ได้เราก็ใช้การท่องสวดมนต์ไปแทนพุทโธไปก่อนเหมือนกัน เป็นการสร้างสติเป็นการควบคุมความคิดไม่ให้คิดด้วยเปลือยเพื่อที่จะทําทให้ใจสงบแต่การสวดมนต์มันจะไม่สงบเท่ากับการท่องพุทโธหรือเท่ากับการดูลมหายใจเข้าออกแต่ถ้าเราดูลมไม่ได้ท่องพุทโธไม่ได้เราสวดมนต์ได้เราก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปนานๆจนกระทั่งใจรู้สึกสงบก็ค่อยมาดูลมหายใจต่อได้แล้วที่มี เคาถาในคาถานี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านอ๋อไม่เป็นอันไหนก็ได้มันมันเหมือนกันมันไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของการเจริญสติสมาธินี่จะใช้คาถาไหนก็ได้แต่คนที่เขาเชื่อคาถานี่ยเขาเชื่อวคาถานี้ทำให้โดยคาถานี้ทําให้อายุยืนยาวนานคาถานี้ทำให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคาถานี้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อะ เขาเชื่อของเขาไปไงั้นแต่ความจริงมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเป็นได้ไม่ต้องมีหมอไม่ต้องมีโรงพยาบาลนะใช่ไหมใครไม่สบายก็ท่องคาถานี้เดี๋ยวก็หายงั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อความจริงไม่มีไม่มีผลแต่อย่างใดไม่เชื่อลองไปทดลองดูสิเวลาไม่สบายลองไปนั่งสวดไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะ่สนะสวดคาถานี้แล้วเดี๋ยวโรคภัยหายเลยสวด พอสวดเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาเดินวิ่งได้เลยค่ะคำถามจากคุณปามคุณแม่ไปจัดดอกไม้ตกแต่งงานบุญที่วัดมีคำถามสองข้อค่ะข้อหนึ่งการทำบุญในการจัดดอกไม้นี้เป็นบุญมากกว่าทำทานทั่วไป เนื่องจากว่ามีผู้พบเห็นแล้วจะรู้สึกดีและจะทำให้คนเข้าวัดมากขึ้นคำพูดนี้ถูกต้องหรือไม่คะไม่แน่หรอกบางคนไปเห็นเยอะๆดอกมาเยอะๆก็อาจจะไม่อยากจะเข้าวัดก็ได้พอเห็นวัดนี้ไปลุกหนงกับความสวยความงามซึ่งความจริงแล้พวพระพุทเจ้าสอนให้สวยงามภายในใจสวยด้วยศีลด้วยธรรมไม่ได้สวยด้วยดอกไม้ ก็อาจจะไม่เข้าก็ได้เพราะรู้ว่านี่เป็นวัดหลงไม่ใช่วัดอวัดรู้จริงถ้าวัดรู้จริงเขาไม่ค่อยเน้นเรื่องความสวยงามภายนอกะภายนอกก็พอให้อยู่ได้ใช้ใช้ใช้งานได้ส่วนให้สวยจริงๆให้สวยที่ใจสวยด้วยศีลสวยได้สมาธิสวยได้ปัญญาข้อสอง การจัดดอกไม้นี้เป็นการสร้างบา ร, รมีแบบพระโพธิสัตว์พอช่วยคนมากมายให้มาศรัทธานในศาสนาพุทธใช่หรือไม่คะก็อย่างที่ตอบไว้ข้อแรกก็ว่ามันไม่ใช่ข้อที่สองมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นการสร้างบา ร, รมีอะไรเลยอาจจะเป็นเพียงแต่เป็นการมาทําให้สถานที่น่าดูน่าสวยงามหลอกคนที่ไม่ไม่กล้าเข้าวัดให้เข้าวัด ให้พวกคนที่ชอบสวยๆของสวยๆงามๆมาเข้าวัดก็ได้เช่นงานศพทำไมเขาจัดดอกไม้ให้มันสวยเพื่อจะไปกลบศพนั่นเอง mm. เพื่อไม่ให้เห็นศพเห็นความน่าเกียดน่ากลัวของความตายแต่ความจริงการไปงานศพของศาสนาพุทธแท้จริงต้องการให้ไปเห็นศพต้องให้ไปเห็นความตายจะได้มาปลงได้แต่นี่กลับไปเห็นดอกไม้ก็เลยไม่เห็นศพ คนตายไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเวลาไปงานศพนะเห็นแต่รูปตอนที่เขาถ่ายตอนยังมีชีวิตอยู่แล้วลาบลงศพก็มีดอกไม้เต็มไปหมดกลายเป็นเหมือนกับเป็นของประดับไปก็เลยไม่เห็นสัจธรรมความจริงไม่เห็นอริยสัจไม่เห็นไตรลักเป้าหมายของศาสนาพุทธนี้ต้องการให้พวกเราเห็นตายลักเห็นอริยสัจกันเห็นเกิดแก่เจ็บตายว่ามันเป็นทุกข์เนี่ย จะได้ไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปคําถามจากคุณทัศนขอความกรุณาอธิบายศีลห้าง่ายๆหน่อยเจ้าค่ะว่าทําอย่างไรถึงผิดศีลเดี๋ยวขออนุญาตอ่านทีละข้อที่ถามนะคะศีลข้อหนึ่งล้างแผลค่าแบคทีเรียผิดศีลไหมคะไม่ผิดหรอกรักษาร่างกายแบคทีเรียนี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ออยู่ในข่ายของศีลห้า ข้อสองซั์ที่ว่าการลักทรัพย์ไม่ได้หมายรวมถึงร่างกายมนุษย์ใช่ไหมคะเช่นแลกแฟนกันเสพไม่สามารถนําศีลข้อสองมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะถ้าของเป็นของขายแล้วเจ้าของอนุญาตก็ไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ข้อสามแลกคู่นอนเที่ยวผู้หญิงถูกกฎหมายในต่างประเทศยังไงก็ผิดศีลใช่ไหมคะก็ผิดประเพณีของไทย ถ้ายังถือประเพณีของการร่วมเพศจะต้องเป็นสามีภรรยากันต้องมีการประกาศให้ทางสังคมรับรู้มีการแต่งงานมีการมั่นมีอะไรตันตามประเพณีเขาเรียกว่าประเพณีแต่ถ้าไม่ทำตามประเพณีก็ทำแบบหมาเดินก้าไงเคยเห็นหมาเดินก้าวไหมเนี่ยช่วงนี้เดินก้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็มันไปเจอตัวไหนมันก็โดดขี่เลยไหม มันไม่ต้องมาขอขออนุ ญ, ญาตจากพ่อแม่ของหมาตัวนั้นก่อนไม่ต้องมาประกาศให้หมาตัวอื่นว่าหมาตัวนี้เป็นของกูนะคนอื่นตัวอื่นอย่ามายุ่งนะไม่ไม่ไ ม, มีถ้าทำแบบไม่มีไม่มีการรับรู้ไม่มีการเป็นของของกันและกันก็เป็นเหมือนประเพณีของหมาดีๆนี่ สีนข้อสี่ตอบลายแต่ไม่ได้พิมพ์ตามไม่ได้พิมพ์ตอบตามความจริงผิดศีลไหมคะถ้าไม่จริงก็ผิดเลยข้อห้ากัญชาถูกกฎหมายถ้าเสพเพื่อความสนุกไม่ได้ใช้รักษาโรคผิดศีลไหมคะถ้าทำให้มึนเมาก็ผิดศีลเพราะว่าจะทำให้ไปพูดไม่ดีไปทำอะไรไม่ดีต่อไปได้ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการทําบุญใส่บาทในวันพระกับวันธรรมดาได้บุญมากน้อยต่างกันไหมคะได้เท่ากันนะมากน้อยอยู่ที่ทํามากทําน้อยใส่หนึ่งชุดกับใส่สองชุดไม่ว่าจะทําวันไหนก็มากน้อยต่างกันตรงที่เป็นของที่เราถวายว่ามากน้อยไม่ใช่ทําบุญวันพระหนึ่งชุดนี้ได้บุญมากกว่าทําบุญธรรมดาสองชุดไ ม, ไม่ใช่นีอยู่ที่การเสียสละของเรา เสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยเสียสละมากก็ได้บุญมากคำถามจากคุณเคป๊ OP, มีสองคำถามค่ะบุคคลคำถามที่หนึ่งบุคคลที่มาขอเงินบริจาคจากวัดและผู้ถือศีลที่มาปฏิบัติธรรมเช่นขอไปสร้างห้องเรียนห้องน้ําบํารุงการศึกษาเพื่อทอดผ้าป่ากรถินเป็นการเบียดเบียนไหมคะก็เป็นการเป็นขอทานไม่เบียดเบียนะ ถ้าไม่อยากจะเป็นขอทานก็อย่าไปไปขอข้อสองบางทีมาขอเงินจากพระพระไม่มีปัจจัยแต่ท่านก็ปฏิเสธไม่ได้ท่านก็จะสละจากโยมที่นํามาถวายถือว่าเขาเบียดเบียนไหมคะก็แล้วแต่ถ้าคนที่ยินดีจะให้มันก็เขาอยู่ที่เขาว่าคนที่ถูกเบียดเบียนนั่นเขาถือว่าถูกเบียดเบียนหรือเปล่า ถ้าเขาถือว่าถูกเบียดเบียนมันก็เบียดเบียนถ้าเขาไม่ถือว่าเบียดเบียนก็มันก็ไม่เบียดเบียนนะคำถามจากอุบาสกพง์ทุกวันนี้พ่อค้าขายของผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นกระผมเป็นคนกลางจะต้องสั่งจากอีกร้านหนึ่งที่ไม่ใช่ร้านของตัวเองเพื่อจะไปขายต่อให้ลูกค้าได้กาไรนิดหน่อยคาถามคือกระผมอยากให้ทางร้าน ที่รับของมาขายต่อจ่าหน้าผู้ส่งเป็นชื่อที่อยู่ของผมโดยตรงผมทำเช่นนี้จะผิดศีลข้อสี่ไหมขอรับไม่เข้าใจความหมายคือจ่าหน้าถึงถึงคนที่ซื้อมาขายต่อแล้วเขาค่อยส่งให้ลูกค้าคือจะได้ไม่ต้องรู้จักต้นทางอ่ะมันเหมือ น, นโกหกหรือเปล่าไม่โกหก ก, ก็เราบอกให้เขาส่งมาให้เราแล้วเราส่งต่อไป ก็เป็นเรื่องของเราที่เราจะปรึกษากับคนที่เราติดต่อด้วยถ้าเราไม่อยากจะให้ลูกค้าที่เราขายนี่ติดต่อกับแหล่งที่เราซื้อเพราะเราจะถูกตัด mm. เราก็บอกเขาได้ว่าถ้าใครต้องการซื้อให้เขาซื้อผ่านเราแต่ถ้าทางร้านเ้าบอกว่าเขาจะติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามเขาได้แต่มันไม่บาปหรอกถ้าไม่ มันไม่ได้เป็นการโกหกหลอกลวงกันเป็นเพียงแต่เป็นเพียงแต่การห้ามไม่ให้เขาได้ติดต่อกับแหล่งที่เราซื้อของมาเท่านั้นเองคำถามจากคุณสุธีผมนั่งสมาธิรู้ตัวอยู่จนจิตดิง่งก็รู้แล้วไปพบคนสองคนเขาพูดว่าอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรจะกินจิตมากับตัวรู้เพราะอะไรครับ เพราะจิตเราไม่นิ่งไงเพราะจิตเด่งแล้วก็ไม่มีสติควบคุมมันก็เลยไปออกไปรู้เรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองเรื่องเรื่องของของจริงก็ได้ตันนี้ไม่มต้องต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือจิตไม่มีสติควบคุมให้มันนิ่ง ม, มันก็เลยออกไปรับรู้หรือออกไปปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมา คำถามจากคุณพรณีเวลานั่งสมาธิอยากจะระลึกเห็นพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรจึงมองเห็นแต่พระพุทธรูปที่เห็นพบบ่อยและใช้ภาพอาจารย์ที่เราเคารพนับถือขอทราบว่าควรทำอย่างไรที่จะมีภาพที่เหมาะสมในมโนภาพก็แล้วแต่เราเรามโนภาพเรานึกขึ้นมาได้น่เราอยากจะนึกถึงภาพไหนเราก็นึกขึ้นมาในใจเราแล้วก็พยายาม แล้วนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆให้มันปรากฏขึ้นมาในใจเป็นภาพขึ้นมาอ่ก็ได้บางคนชอบเงินก็นึกถึงเงินเงินเงินเงินเงินภาพเงินมันก็ปรากฏขึ้นมาแบงผ่านแบงร้อยแบงอะไรมันอยู่ที่ใจเรานึกคิดไปเองทัค่ะคําถามจากคุณบิก๊กผู้รู้คือจิตวิญญาณใช่หรือไม่คะจิตกับวิญญาณก็ตัวเดียวกั น, เ, นเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิต พอเวลาออกจากร่างกายไปมันก็เรียกว่าวิญญาณเป็นตัวรู้ผู้รู้ผู้คิดคำถามสุดท้ายนะคําถามสุดท้ายค่ะจะคุณจินขอบอริยสัจสี่กับไตรลักษณ์ควรใช้คู่กันเลยใช่ไหมครับมันไปด้วยกันนะียไตรลักษ์มันก็อยู่ในส่วนมรรคอยู่ในสอยู่ในอริยสัจสีนะ่